ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปรูกมเมล็ดแห่งการตัดสรุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธในการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าและ ในการบรรลุธรรมของพระอริยสงสารทั้งหลายว่าเป็นทางที่จะนำพาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เรามาศึกษา มาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอนี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้คือเรามาปลูกต้นมรรคผลนิพานปลูกการบรรลุธรรมปลูกการตัดสรุใไม่ว่าจะเป็นทางพุทธภูมิ หรือสาวกภูก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามกำลังศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เรามีอยู่กัน ถ้าเราทําไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมเราก็จะได้ตัดสรู้ธรรมอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดในสมัยที่ไม่มีพระธรรมคําสอนไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะสามารถตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วย ตัวเราเองเนื่องจากเราได้ทำการปลูกฝังเพาะปะลูกเมล็ดพืชแห่งการตัดสรูไว้ในอดีตชาติเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปลูกฝังเมล็ดแห่งการตัดสรูและได้ตัดสรู เป็นพระอรหันต์ตระส ม, มาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นสรณะของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเราได้มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้บรรลุธรรมได้เป็นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ ศึกษาได้ปฏิบัติบาเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องทุกภพทุกชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำอย่างนีง้ทำอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้มาวัดด้วยความศรัทธามาทำบุญให้ทานมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละคือทางหรือเหตุที่จะทำให้ได้บรรลุธรรมในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่การบำเพ็ญ น, นี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นเราต้องเป็นผู้บำเพ็ญเอง เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราถึงจะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ากด็ดีหรือบรรลุเป็นพระอาหามตสาวกก็ดีก็อยู่ที่การศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินั่นเองดังนั้นขอให้เราจงพยายามมีความอุตสาหะวิริยะความภาคเพียรที่จะศึกษา และปฏิบัติพทธธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าอย่างสม่ําเสมอขอให้ถือเป็นภารกิจสําคัญของชีวิตเลยทีเดียวสําคัญยิ่งกว่าการภารกิจอย่างอื่นภารกิจอย่างอื่นนั้นอย่างมากก็จะทําให้เรามีความร่ำรวยมีฐานะที่ดีมีความรู้ทางโลกเช่นเรียนจบการศึกษา ระดับขั้นต่างๆมีงานการที่ดีมีตำแหน่งที่ดีแต่ก็จะดีแต่เฉพาะพพนี้ชาตินี้เท่านั้นเมื่อตายไปแล้วพบพบน้าชาติหน้าก็ไม่มีใครรับรองรับประกันได้ว่าจะดีเหมือนชาตินี้หรือไม่แต่สิ่งที่จะรับประกันว่าบหน้าชาติหน้านั้นจะดีหรือไม่ดี ก็อยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรับรองได้ว่าพบหน้าชาหน้าของเรานี้จะดีกว่าพพนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกิจกรรมหลักส่วนการทำมาหากิน หาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้ต้องขอให้ถือว่าเป็นกิจการรองเป็นกิจกรรมรองเป็นงานที่มีไว้เพื่อสนับสนุนงานหลักของเราคืองานศึกษางานปฏิบัติเพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างห้าวันเราก็ทำมาหากินวันเสาร์อาทิตย์เราในวันหยุดเราก็ต้อง มาทำหน้าที่ทางพระพุทธศาสนามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมถ้าเราปลีกตัวออกมาได้เพราะการอยู่บ้านนี้จะไม่สะดวกสบายเหมือนกับการอยู่วัดเพราะอยู่วัด น, นี้ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้าเรารักษาตัวที่บ้านนี้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแพทย์พยาบาลจะมีไม่พร้อมเหมือนกับการไปโรงพยาบาลการปฏิบัติการศึกษาพ็ทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ที่บ้านก็จะไม่พร้อมจะไม่สะดวกจะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เหมือนกับการมา ศึกษาและปฏิบัติที่วัดเพราะวัด น, นี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลมีเรื่องต่างๆที่พร้อมที่จะสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติของเราให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วถ้าอยู่ที่บ้านจะมีอุปสรรคหลายประการคนที่บ้านเขาก็อาจจะไม่สนใจศึกษาปฏิบัติเหมือนเรา เขาก็จะอาจมารบกวนเราได้อาจจะมาชวนให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเรามาอยู่วัดแล้วก็จะมีคนที่มีความสนใจแบบเดียวกันสนใจที่จะศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติธรรมเช่นมาอยู่วัด ก็จะสนใจฝั่งเทศฝั่งธรรมสนใจเข้าโบส์นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เป็นหลักเพราะนี่คืองานหลักของทางวัดทางวัด น, นี้จะไม่ส่งเสริมเรื่องการบันเทิงต่างๆเช่นการดูหนังฟังเพลงจะไม่ส่งเสริมให้มีโทรทัศน์วิทยุเครื่องบันเทิงต่างๆ จะส่งเสริมเรื่องของความสงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นนนทผุธภพที่จะมาคอยรบกวนจิตใจให้ว้าวุ่นขุ่นบัวทางวัดจิงจัดสถานที่ให้สงบสงัดผู้ใดจะมาวัดก็ต้องมาอย่างสงบสงัดมาอย่างสำรวม สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมวาจาคือไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่คุยกันถ้าไม่มีความจำเป็นถ้าจะคุยกันก็ให้คุยเรื่องธรรมะเช่นให้คุยเรื่องการทำบุญให้ทานคุยเรื่องรักษาศีลคุยเรื่องนั่งสมาธิคุยเรื่องเจริญปัญญาคุยเรื่องการปลิดเพื่เว่ คุยเรื่องมากน้อยสันดุถ้าเราคุยเรื่องราวเหล่านี้ <c oughs> ก็จะส่งเสริมให้จิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นไปตามลาดับแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านคนทางบ้านก็จะชวนคุยเรื่องความโลภความอยากต่างๆอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่ จะไม่คุยเรื่องรักษาศีลกันจะไม่คุยเรื่องทำบุญให้ทานกันจะไม่คุยเรื่องนั่งสมาธิกันจะไม่คุยเรื่องฟังเทศฟังธรรมกันเพราะใจของคนที่อยู่ในบ้านนั้นยังเป็นผูุ้ชนเป็นผู้มีกิเลสครอบงำกิเลสผู้ที่มีกิเลสครอบงำก็จะถูกชักจูงไปในทาง การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการไปเล่นการพนันการไปทำอะไรที่ไม่ดีเสียหายตามมาการอยู่บ้านจึงเป็นอุปสรรคต่อการปลูกฝังพันธพืชแห่งการตัดสรนการมาวัดนี้จะเป็นสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมให้ การปลูกฝังมเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนานี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วจึงควรที่จะหาเวลาเปลีกออกจากบ้านบ้างถ้าเราเห็นว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้มรรคผลนิพพานนี่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เราก็ไม่ควรที่จะเสียดายกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการอยู่บ้านไม่ต้องไปเสียดายกับคนที่เรารู้จักคนที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยขอให้เราล้ำลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่เราไม่ปฏิบัติธรรมกัน เราจะจากกันด้วยความยากลำบากเพราะเราจะไปในที่ที่ลำบากต่อไปเนื่องจากเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้เราไปในที่ที่สบายนั่นเองเพราะเราไม่เข้าวัดกันแต่ถ้าเราเข้าวัดกันถ้าเราชวนเขาเข้าวัดได้ด้วยก็ยิ่งดีมาอยู่วัด เรามาสร้างเหตุที่ดีสำหรับอนาคตที่ดี ท, ดที่จะตามมาต่อไปเพราะสักวันหนึ่งเราต้องจากกันแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่ดีไว้ในวันนี้เวลาเราจากกันเราจะไปดีเราจะไปได้รับสิ่งที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าดีกว่าอยู่ร่วมกันแล้วหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการไป เที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการทำกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันแต่เวลาไปข้างหน้านั้นจะไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีบุญไม่มีกุศลที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่ที่สุขที่สบายได้ดังนั้นขอให้เราอย่าเสียดายกับความสุขเล็กๆน้อยๆทางโลก อย่าเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเพราะว่าเมื่อเราตายไปนี้สิ่งเหล่านี้เราเอาไปไม่ได้และสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราในภายภาคหน้าเลยแต่สิ่งที่เราได้มาทำที่วัดกันนี้จะเป็นสมบัติของเราจะเป็นทรัพย์ภายในที่จะสิบไปกับเรา ที่จะเลี้ยงดูเราที่จะส่งให้เราได้ไปเกิดในที่ดีกว่านี้ให้มีความสุขมากกว่านี้ให้มีความเจริญมากกว่านี้นี่คือความจริงของชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้เพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ตายนั้นเป็นร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจ ที่เราได้รับมาจากการที่ได้มาเกิดในโลกนี้จากผลบุญเก่าที่เราเคยทำมาจึงได้ส่งให้เราได้มามีร่างกายอันนี้เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อพบหน้าชาติหน้าที่จะดีกว่านี้ไปตามลาดับจนถึง ภพชาติที่สูงที่สุดคือได้เป็นพระอราหันต์หรือได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็จะบำเพ็ญปุญบรารมีต่างๆเช่นทานบรารมีบ้างศีลบรารมีบ้างเนคขมะบรารมีบ้างขันติบรารมีบ้างวิริยะบรารมี ปัญญาบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอธิฐานบารมีสัจจะบารมีนี่คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเพญมาในแต่ละภพแต่ละชาติจนทำให้พระองค์ได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงสุดของชีวิตเกิดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราก็มีโอกาสที่จะบรรลุได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างน้อยได้เป็นพระอาหารหันตสาวกอย่างแน่นอนถ้าเราหมั่นบำเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและทรงนำามามาสั่งสอนให้แก่พวกเราอย่างวันนี้เราก็มาบำเพ็ญทานบา ร, รมี บำเพ็ญศีลบารมีถ้าเรารักษาศีลห้าบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีถ้าเรารักษาะศีลแปดบำเพ็ญปัญญาบารามีถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมบำเพ็ญอุเบกขาบารมีถ้าเรานั่งทำนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขานะ สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำกันได้ทุกคนและเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เช่นถ้าเรามาเป็นสุนัขมาอยู่ในวัดเราก็จะไม่รู้ เรื่องกิจกรรมต่างๆของทางวัดชุนักก็เพียงแต่อาศัยวัดอยู่เพื่อเพื่อกินเพื่อหลบภัยเท่านั้นเองเขาได้ก็เพียงแต่ประโยชน์ทางร่างกายของเขาแต่ประโยชน์ทางจิตใจนี้เขาไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าเขาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาอยู่วัดเขาก็จะได้รับประโยชน์ทั้งสองส่วนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ อย่างผู้ที่มาบวชอยู่ในวัดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็ดีหรือเป็นแม่ชีก็ดีก็เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสมาตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ได้มาบำเพ็ญบารมีต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนให้บำเพ็ญเมื่อได้ทําอย่างนี้แล้ว มเมล็ดพืชแห่งการตัดชรู้ก็จะค่อยๆเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาตามลาดับและจะสามารถออกดอกออกผลเป็นมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่ที่การมีความศรัทธาความเชื่อหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากได้ศึกษาแ ล, แล้วเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน นี้จะนำผลดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เลยเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามทำตามที่ท่านสอนทำความดีทั้งหลายถึงพร้อมด้วยการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะทำการให้ด้วยความเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็เลยให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่น หรือทำด้วยความกรุณาสงสารคือเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาตามกำลังหรือทำด้วยความกตัญญูกตเวทีคือสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณมีอะไรที่จะทดแทนให้ก็ยินดีที่จะทดแทนให้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นทานบารมีให้ด้วยความ เมตตาก็ได้ให้ด้วยความกรุณาคือความสงสารก็ได้ให้ด้วยความกตัญญูกตเวทีก็ได้หรือจะให้ด้วยการด้วยจาคะก็ได้คือไม่ต้องการที่จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินไปอยากจะอยู่แบบนักบวชคือไม่มีทรัพย์สมบัติ มีแต่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอัฐบริกขารคือมีเพียงสมบัติอยู่แปดชิ้นด้วยกันได้แก่บาทจีวรบาทหนึ่งใบจีวรสามผืนประคตเอวหนึ่งเส้นไว้สำหรับรัดเข็มขัดรัดรัดสบงแล้วก็มีใบมีดโกนอไว้สำหรับปรงศรีรษะ มีมีมีเข็มกับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลาขาดมีที่กรองน้ำไว้สำหรับเวลาตักน้ำเพื่อที่จะไม่ได้เอาตัวสัตว์ขึ้นมามนี่ก็คือสมบัติของนักบวชนักบวชเหล่านี้ก่อนที่จะมาเป็นนักบวชเขาก็เป็นเหมือนสัทธาญาติโยม เขาก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีครอบครัวมีอะไรต่างๆแต่เขาเห็นว่าการอยู่แบบคาวาสนี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเขาจเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วอย่างเหมือนกับการได้ออกมาอยู่แบบนักบวชเขาจึงเสียสละ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเสียสละญาติสนิทนิสัยหายถ้าถถ้ามีสามีหรือภรรยาหรือบุตรธิดาก็เสียสละอย่างนี้ก็เป็นการให้อีกอย่างหนึ่งแต่เป็นการให้ที่สูงขึ้นไปเป็นการให้เพื่อการที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ภายในชาตินี้ อย่างที่พระสาวกทั้งหลายได้ทากันในสมัยพุทธกาลหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดมีจิตศรัทธาออกบวชกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นจำนวนมาก เพราะศรัท ธ, ธาความเชื่อนี้เองเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อในผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเป็นสิ่งที่ประเส ร, ริฐที่สุดเ ป, เ, เป็นเพชรน้าหนึ่งอย่างแท้จริงเพชรน้ำหนึ่งที่เรารู้จักกันนี้ยังไม่ได้เป็นเพชรที่แท้จริงเพราะมันไม่มีคุณค่าราคาอะไรเราไปสมมติคุณค่าราคาขึ้นมาเอง ความจริงมันเป็นเพียงก้อนหินก้อนเดียวเท่านั้นเองเพชตนี้มันไม่มีคุณค่าราคาอะไรมีแต่พวกเรามนุษย์นี้ไปเห่กันขึ้นมาเองแล้วไปสมมติว่ามีราคากันขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ความจริงมันไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายหรือจิตใจเลยร่างกายก็รับประทานไม่ได้จิตใจก็ไม่สามารถอาศัยเป็นที่พึ่งให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีแต่การตัดสืบการบรรลุธรรมนี้ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของจิตใจได้จึงเป็นเพชที่แท้จริงมีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงกับจิตใจเพราะถ้าผู้ใดได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วก็จะได้บรรลุจากความทุกข์ขั้นต่างๆไปนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้จึงจะมีคุณค่าเท่ากับการได้บรรลุธรรม และไม่มีอะไรที่จะทำให้เราบรรลุธรรมกันได้นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเรายังไม่ได้บรรลุเราก็ายังจะต้องเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ไปอีกไม่มีวันสิน้นสุดชีวิตของเราก็จะเป็นแบบรุ่มๆุ่มดอนดอนสุขสุทุกๆุสลับกันไป บางเวลาก็สุขบางเวลาก็ทุกข์เวลาสุขนี้ก็ไม่เป็นตัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี้มันแสนจะทรมานใจบางครั้งอาจจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกก็ได้ความทุกข์นี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วนี้มัน มันไม่มีใครอยากจะพบน่พูดง่ายๆแต่เวลามันเกิดแล้วก็ไม่มีใครห้ามมันได้แต่ถ้าเราได้รับการศึกษาได้รับการปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอแล้วความทุกข์ทรมานใจต่างๆนี้จะน้อยลงไปตามลำดับความทุกข์ที่เราได้รับจากการที่เราต้องตัดต้องละความสุขต่างๆนี้มันไม่ใช่เป็นความทุกข์ รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ที่เราได้รับจากการการสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติจนสามารถตัดความรักความชอบในสิ่งต่างๆได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆแล้วต่อไปเวลาที่เราพัดพาจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบเราจะไม่มีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเลย ทุกตอนต้นเท่นั้นเองทุกตอนนี้ตอนที่เราต้องจากเขาไปแต่ถ้าเราจากไปด้วยความพร้อมใจด้วยความตั้งใจความทุกข์ทรมานใจมันก็จะไม่รุนแรงและจะไม่ยาวนานแต่ถ้าเราต้องจากด้วยความไม่พร้อมที่จะจากหรือไม่ยินดีที่จะจากถูกบังคับให้จากนี้จะทุกข์ทรมานใจมาก อาจจะถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยดังนั้นขอให้เราอย่าไปกลัวกับความทุกข์ที่เราจะต้องจากสิ่งต่างๆไปถึงแม้จะจากเพียงชั่วคราวในเร้่งต้นก็ขอให้เราทำใจสู้เสือเถิดเช่นบังคับตัวเราเองให้ออกจากบ้านบ้างออกมาอยู่บัดบ้างออกออกมาจากความสุขที่เราเคยได้รับจากคน ที่บ้านก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ดียอมทุกบ้านแล้วเพื่อมาสร้างความสุขที่ดีกว่าที่จะตามมาต่อไปถ้าเราไม่ยอมทําอย่างนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เลยเพราะมันจะมีเหตุหลอกและให้เราต้องอยู่กับบ้านอยู่เรื่อยๆไม่เรื่องของคนนั้นก็เรื่องของคนนี้แล้วในที่สุดเราก็จะต้องถูก บังคับให้ออกจากบ้านโดยที่เราไม่พร้อมโดยที่เราไม่ยินดีคือเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายจากสิ่งต่างๆไปแล้วหรืออาจจะถูกเหตุการณ์ต่างๆบังคับให้เกิดการพัดพาคจากกันขึ้นมาอาจจะมีภัยต่างๆที่เราไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นก็ได้เช่นอุทกภัยหรือ ภ, ภัยที่เกิดจากไฟไหม้อักีภัยหรือวาตภัยภัยที่เกิดจากพายุสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าเราฝึกซ้อมการพัดพากจากกันไว้ล่วงหน้าก่อนพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเราก็จะได้มีอะไรไวไวต่อสู้ได้ พอเราได้ฝึกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างแล้วถึงแม้ว่ายังไม่สามารถตัดได้อย่างเต็มที่ตัดได้หมดแต่อย่างน้อยเราเคยตัดแล้วชั่วครั้งชั่วคราวบางบางเวลาก็เราก็จะรู้จักวิธีทำใจได้และเราจะมีวิธีอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเหมือนกับที่นักบวชเขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่มีอะไรที่นักบวชอยู่ได้เพราะเขารู้จักวิธีทาใจ รู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขารู้จักทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิรู้จักวิธีปรองตรายลักษณ์อนิจจังทุกขังอนั ต, ตาเพราะพิจารณาอย่างธรรมามเสมอว่าเกิดมาแล้วต้องพัดภากจากกันเป็นธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้ามีความรู้เหล่านี้อยู่ภายในใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะไม่หลงที่จะยึดติดกับสิ่งต่างๆใจก็จะเตรียมตัวเอาไว้รับกับเหตุการณ์จริงๆที่จะเกิดขึ้นพอเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนนี่คือการที่เรามาวัดกันนี้ก็เพื่อมาสร้างกำลังใจให้แก่ใจเรานี้เองใจของเราตอนนี้ยังไม่มีกำลังที่จะรับกับสภาพต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเรามีกําลังแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่สามารถทำให้ใจของเราล้มละเนรละนาดลงไปได้ใจของเราจะยืนหยัดต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสบายอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ยืนหยัดต่อสู้ยึงขอให้พวกเราจงพยายามมีความภาคเพียรที่จะพยายามปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆแล้วผลที่ดีต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาปลูกเมล็ดแห่งการตัดจารุแห่งการบรรลุธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป